บ้านสวนกลางป่าอาถรรพ์ต้นไม้โบราณ ส, สัมผัสสยองนี่เป็นเรื่องราวของผมเมื่อประมาณสิบห้าปีก่อนตอนนั้นผมอายุ ป, ประมาณเก้าถึงสิบขวบ ผมและครอบครัวได้ย้ายไปอยู่กับคุณตาคุณยายที่จังหวัดลำพูนที่นั่นถ้านับจากถนนใหญ่แล้วติดถนนจะเป็นโรงเรียนที่ผมย้ายไปเรียนออกจากหลังโรงเรียนไปจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านยาวไปท้ายหมู่บ้านถัดไปราวๆหนึ่งกิโลเมตรกว่าๆจะเป็นป่าชาและเมนเผาศพซึ่งข้างๆป่าชาจะมีถนนดินแดงเล็กๆ ตั้งแต่ตรงนั้นไปจะไม่มีไฟถนนไม่มีบ้านคนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเลยมีเพียงแต่ทุ่งนากว้างๆสลับกับสวนกล้วยบ่อปลายาวไปตลอดทางระหว่างทางที่จะถึงบ้านของคุณตาจะมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ผูกผ้าสามสีอยู่ข้างทางพอขับไปอีกสักพักก็ถึงบ้านคุณตารวมระยะทางไปบ้านของคุณตา ถ้านับตั้งแต่ป่าช้าก็ราราวสมกิโลเมตรได้ตัวบ้านจะเป็นบ้านเดียวอยู่กลางสวนผลไม้และคอกสัตว์ต่างๆหัดจากสวนไปก็จะเป็นป่าด้วยความที่ผมย้ายไปกันทั้งครอบครัวมีพ่อแม่พี่สาวและตัวผมเองจึงมีห้องนอนไม่เพียงพอคุณตาและคุณยายเลยแยกออกไปอยู่บ้านหลังเล็ก ที่ไม่ห่างจากบ้านใหญ่มากนักและอยู่ติดกับป่าหลังบ้านเนื่องจากว่าวันนั้นครอบครัวผมกว่าจะเดินทางไปถึงก็ดึกแล้วเลยตกลงกันว่าแค่ขนของเข้าบ้านกันก่อนคอยจัดของกันในวันพรุ่งนี้แล้วผมก็เดินเข้าห้องไปห้องที่ผมได้อยู่จะมีเพียงแค่เตียงอยู่ตัวเดียวในห้องโลง หันหน้าไปทางหน้าต่างไม้บานพับเก่าๆติดกระจกคุนๆอยู่ด้านบนและหันหน้าไปทางป่าพอดีกลางดึกของคืนนั้นขณะที่ผมนอนอยู่ก็รู้สึกหนาวขึ้นมามันหนาวมาทั้งดังที่ผมห่มผ้าอยู่จนผมแทบจะนอนต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ในระหว่างที่ผมกำลังสลึมสลืออยู่นั้นก็มีแสงแปลกๆส่องเข้ามาในห้อง หันกระจกคุณบนหน้าต่างมันแปลกมาเพราะแสงนั้นมันเป็นแสงสีแดงท่องมาจากมุมสูงพอพอกับหลังคาบ้านเลยในตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรและคิดไม่ออกด้วยจนแสงนั้นมันค่อยๆหายไปแล้วก็มีเสียงมาแทนมันเป็นเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกบ้านเสียงนั้น ค, ค่อยดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนมีคนหลายสิบคนเดินอยู่รอบบ้านและใกล้เข้ามาเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็เริ่มมีเสียงทุบหน้าต่างกับประตูหน้าบ้านตอนแรกเป็นเสียงทุบช้าๆเบาๆตบตบตบจนมันแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนอยากจะพังมันเข้ามาตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูก กลัวมากแปลกใจไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรได้แต่นอนร้องไห้อยู่บนเตียงไม่นานนักพ่อก็มาอุ้มผมออกไปจากห้องพอไปถึงห้องพ่อก็เห็นพี่สาวผมเธอกำลังร้องไห้และกอดแม่อยู่ผมจึงได้รู้ว่าไม่ได้มีแค่ผมเพียงคนเดียวที่ได้ยินเสียงนั้นทุกคนได้ยินกันหมดสักพักคุณตาก็เข้ามา แล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเขาก็ไปนอนพักเถอะแล้วคุณตาก็เดินหายออกไปนอกบ้านคืนนั้นครอบครัวของผมจึงนอนกันที่ห้องพ่อกันหมดไม่มีใครกล้าแยกไปไหนคนเดียวเลยวันต่อมาคุณตาก็ตั้งสารเล็กๆไว้ข้างบ้านแล้วกําชับพ่อให้ดูแลสาร น, นี้ดีๆ อย่าให้เด็กๆออกนอกบ้านตอนกลางคืนเด็ดขาดซึ่งผมได้มารู้ทีหลังว่าคุณตาได้เอาไม้มาจากต้นโพมาทำเป็นสารหลังนี้แม้ว่าตอนนั้นผมจะยังเด็กก็ตามแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าที่นี่ไม่ปกติหลังจากนั้นถึงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนกับในคืนแรก แต่ก็ยังคงมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะผมมักจะเห็นคุณลุงคนหนึ่งอยู่บริเวณบ้านบ่อยๆแกใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสัน้นกับมอเตอร์ไซค์เก่าและทุกคืนที่ผมกลับจากข้างนอกกับครอบครัวก็เจอลุงคนนี้นั่งอยู่ในศาลหน้าป่าช้าทุกครั้งผมพยายามจะไม่คิดอะไรมากแต่ความรู้สึกมันบอกว่า มันแน่จะมีอะไรไม่ปกติได้แต่สงสัยว่าคุณลุงเป็นใครมาทำอะไรมืดๆคนเดียวแล้วทำไมถึงชอบมาอยู่แถวบ้านทาั้งทั้งที่แถวนั้นไม่มีใครอยู่เลยนอกจากบ้านของตาผมผมเลยถามคุณตาว่ารู้จักลุงเขาไหมคุณตาก็เอาแต่หัวเราะและบอกเพียงแต่ว่าลุงเขาอยู่แถวนี้มานานแล้ว ตาพาเข้ามาเองแหละไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกฮาแล้วก็หัวเราะเหมือนเป็นเรื่องตลกตั้งแต่นั้นมาผมก็ให้ชื่อเรียกลุงคนนั้นว่าลุงขาวเมื่อเห็นแก่ผมก็จะยกมือไหว้อยู่ห่างๆแล้วมักจะบอกกับคนอื่นอยู่เสมอว่าเจอลุงขาวที่ไหนบ้างนอกจากเรื่องของลุงขาวแล้ว ยังมีเรื่องเสียงที่ผมกับพี่สาวได้ยินบ่อยๆมันเป็นเสียงเหมือนคนตะโกนร้องอยู่ในป่าบางครั้งก็มีเสียงเฮาฮาบ้างหรือโวยวายบ้างบางครั้งก็เป็นเสียงกลองเสียงดนตรีพราะถามใครว่ามันเป็นเสียงอะไรแต่ก็ไม่มีใครยอมบอกพ่อกับแม่ก็ทําเหมือนไม่ได้ยินตากับยายก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ให้สนใจ พอผมจะไปขอดูก็ครูผมกับพี่สาวอีถ้าอยากจะรู้ก็ไปสิถ้าไม่กลัวก็ลองไปกันดูแล้วอย่ามาหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันป่านี้ไม่ใช่ที่ที่พวกเด็กๆจะเข้าไปเล่นกันได้ตั้งแต่วันนั้นผมกับพี่ก็เลิกสนใจเสียงในป่าไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรดังแค่ไหนก็จะทำเป็นไม่ได้ยิน เวลาผ่านไปจนผมอยู่ที่บ้านนี้มาเกือบปีแล้ววันหนึ่งผมกับพี่ก็ชวนคุณตากับคุณยายไปที่สวนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วคุณตาออกไปดูต้นไม้ในสวนผมกับพี่ก็เลยไปเก็บไข่และให้อาหารเป็ดในเลาซึ่งที่นี่มันใกล้กับป่าพอสมควรมีแค่คูน้าเล็ ก, ลกๆกั้นเอาไว้เพียงเท่านั้น ระหว่างที่ผมกับพี่กลับออกมาจากเล้าเป็ดจูจูก็มีเสียงร้องดังออกมาจากในป่าครั้งนี้ยิ่งอยู่ไกลมันยิ่งดังกว่าทุกๆครั้งมันเป็นเสียงร้องที่ฟังไม่ได้สับจนไม่เหมือนเสียงคนแต่ก็รู้ว่ามันเป็นเสียงคนแน่ๆผมกับพี่ตกใจมากเพราะหันไปตามเสียงก็ปรากฏว่า เสียงนั้นมันค่อยๆหายไปเราสองคนเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีจับมือกันแน่นแต่ก็ไม่กล้าลาสายตาจากป่าจนหันไปแล้วสะดุดตากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มันดูแปลกตาขนาดลำต้นของมันนั้นใหญ่และหนามาเมื่อเพ่งมองดีๆก็เห็นว่ามันเป็นต้นมะขามแน่นอน พวกเราไม่ได้สนใจต้นมะขามในเวลานี้หรอกเพราะตอนนั้นมันมีเงาบางอย่างค่อยๆ อ, ออกมาจากหลังต้นไม้มันเป็นเงาของคนที่ตัวใหญ่มากและไม่มีหัวเงานั้นเดินตรงเข้ามาหาผมกับพี่สาวพี่กำมือผมแน่นมาแต่ผมก็ยังลาดสายตาจากต้นไม้นั้นไม่ได้เพราะยังคงมีเงาสีดำอีกหลายตัว ค่อยๆออกมาจากต้นไม้และมองมาที่เราสองคนแต่สิ่งที่ทําให้ผมกลัวที่สุดคือใบหน้าคนที่ค่อยๆออกมาจากหลังต้นไม้ใบหน้านั้นมีผิวสีดําแห้งกรังตาปูออกมาจนเหมือนไม่ใช่คนแล้วมันก็ค่อยๆฉีกยิ้มหออกแถมยังจ้องมองมาที่ผมมีผมเห็นฟันของมันมีสีดําทั้งป่า ผมจำภาพนั้นติดตาจนมาถึงทุกวันนี้ผมก็ยังลืมภาพที่เห็นวันนั้นไม่ได้เลยหลังจากที่มันยิ้มจนเห็นฟันสีดำแล้วก็หัวรอกขึ้นมาดังและก้องมากมันเป็นเสียงที่ผมได้ยินแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะทำเสียงแบบนี้ได้มันเป็นเสียงที่แหบแห้งหวยหวนหน่ากลัวมาก ขณะที่ผมกับพี่กำลังยืนนิ่งตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเงาที่เดินอยู่ก็มาหยุดอยู่ที่คูน้าฟังตรงข้ามแล้วมันก็ค่อยๆ ย, ยื่นมือเข้ามาตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกได้แต่จ้องมองมือที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอยากจะหนีอยู่เหมือนกันแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ขามันก้าวไม่ออกสักพักผมก็ได้ยินเสียงตะโกนมาจากด้านหลัง ยุดแล้วทุกอย่างก็นิ่งไปจนผมมารู้สึกตัวทีก็เห็นว่าตัวเองกำลังเดินข้ามคูน้ำไปสภาพของผมในตอนนั้นคือเปียกไปจนถึงเอวเพราะลงไปในคูน้ำเลือดกำเดาผมไหลที่แขนมีรอยแดงเพราะพี่สาวพยายามดึงแขนผมไว้ไม่ให้ไปพอหันกลับไปมองข้างหลัง ก็เจอลุงขาวกำลังยืนมองด้วยสีหน้างดหงิดชี้ไปที่ต้นไม้แล้วตะโกวนว่าจะเอาอะไรกับเด็กมันเด็กพวกนี้ไม่เกี่ยวกับพวกมึงอย่ามายุ่งกับลูกหลานกูแล้วเงาพวกนั้นก็หายไปพอผมหันกลับไปมองลุงขาวอีกครั้งก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นผมกลัวมากทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งลุงขาว เราสองคนวิ่งร้องไห้กลับบ้านพอออกมาจากสวนได้ก็เจอแม่รออยู่แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรแม่ก็เข้ามากอดบอกว่าผมกับพี่หายไปหลายชั่วโมงแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ผมกับพี่เราทั้งสองคนรู้สึกว่ามันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วแม่บอกว่า คุณตาไปขอกับสารจึงเห็นพวกเราวิ่งออกมาจากสวนผมกับพี่ก็เลยเล่าทุกอย่างให้คนที่บ้านฟังคุณตาเลยไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านเกณฑ์คนมาช่วยกันถางป่าจากนั้นก็นิมนต์พระมาทาพิธีแล้วเตรียมที่จะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นวัดไปเลยผมยังได้ยินคนพูดกันอีกว่ามีต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งโตแปลกมาก รอบมีเศษกระดูกอะไรไม่รูเต็มไปหมดตอนที่ตัดมะขามต้นนั้นยางไม้ก็เป็นสีแดงเหมือนเลือดและตรงกลางโคนต้นก็มีก้อนเนื้อเละๆที่เหม็นมากอยู่ข้างในพระเลยขอให้ช่วยกันขุดทั้งรากแล้วเผาทิ้งเลยซึ่งผมก็พอจะเดาได้ว่าต้นที่เขาพูดถึงกันนั้นมันเป็นต้นไหน หลังจากนั้นไม่กี่วันคุณตาก็เล่าให้ฟังว่าป่านั้นเคยเป็นป่าช้าเก่าสมัยก่อนเขาเอาไว้ฝังศพทหารมีอยู่ช่วงหนึ่งพวกเมียคมเล่นของมาลองดีกันทีน่นี่แล้วไปทำอีท่าไหนไม่รู้ทำให้ที่ตรงนั้นเฮี้้นหนักมาชาวบ้านละแวกนั้นก็เลยย้ายหนีกันหมดเหลือแต่ตากับยายสองคน เวลาผ่านไปจนผมเรียนจบก็ย้ายกลับไปบ้านเดิมแล้วปีพศส5 5พหก็เป็นปีที่ครอบครัวผมเสียใจมากที่สุดที่ต้องเสียคุณตาไปด้วยโรคชราหลังจากนั้นคุณยายก็ย้ายมาอยู่กับครอบครัวผมแล้วพวกเราทั้งหมดก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ สมภัสยง